พระธรรมาเทศนาแผ่นที่หนึ่งเอดลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8ทธันวาคม2 5ง9มีชื่อเรื่องว่าปรชยาหรือภพหรือชาติอา้าวจะนี่ร้องไว้วะเนี่ย สมชายล้องประกาศอุตุประจำวัดคงจะหนาวเขาบ้างเนืจะหนาวร้อนร้อนเขาไม่ทราบแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมดนนีน่าจะรู้จัก่า <laughs> วันนี้เป็นวันที่แปดันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าอยห้าสิบเก้าลวงพ่อหลวงพ่อเองอได้พูดเกี่ยวกับน้ำท่วมมาหลายวัน ติดต่อกันแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดถึงมันละให้มันเอาไว้นะก่อนนะหลวงพูดหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับพวกเรามีหน้าที่อะไรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนาแล้วก็ได้มาบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา หลักจุดยืนของพุทธศาสนาวัจัจของพุทธศาสนาแก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไรพวกเราจะพูดไปในที่อื่นลืมหลักต้นตอของพุทธศาสนาก็ไม่น่ามันไม่ถูกต้องพูดไปที่ไหนๆก็เถอะถึงจะเป็นเครือเขาเถาวัล ถ, ถึงจะยาวขนาดไหน เราจะไปพูดแต่ <c oughs> ยอดแต่ไปเครือเขาเถาวันพวกใบแต่แตกิ่งแตกง่าของเครือเขาเถาวันก็พูดได้แต่จุดใหญ่ของมันก็คือโคนเง่าลากแก้วลากฝอยของมันลากแก้วของมันมันไปจากไหน จุดนั้นคือจุดที่พวกเราควรจะไม่ควรจะพูดแต่ยอดแต่ดอกแต่ผลแต่ปลายของมันควรจะย้อนเข้ามาหาตัวต้นตอของมันนี่ก็เหมือนกันพุทธศาสนาที่พวกเราเข้ามาอยู่ในปฏิบัติอย่างนี้ป่าดวงพงภัยอย่างนี้ฉันมือฉันมื้อเดียวอย่างนี้นอนในที่สงบสงัดอย่างนี้เสี่ยง ในการเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จัดมือเดียวอาชนะเดียวแบบแรงแค้นอยู่แบบชั้นโดดตามหลักทมคำสอนของพุท ธ, ธะแล้วจุดประสงค์ของเขาร้องพวกเราคืออะไรเราจะไปพูดแต่เรื่องวัตถุภายนอกก็ไม่น่าจะถูกนะ แต่ไม่พูดจะเลยก็ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะเป็นปัจจัยสี่แต่เราไปพูดแต่ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยใครเป็นผู้อาศัยเราเป็นผู้อาศัยปัจจัยสี่จุดประสงค์ของเราเราเพียงแต่บวชเข้ามาเพื่ออาศัยปัจจัยสี่อย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่ไม่น่าจะใช่อีกจุดยืนของเราที่มุ่ง ม, มุ่งหวังนั่นแหละ คืออะไรที่เราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางปัจจัยสีที่เราอาศัยก็คือรองเท้าล่มเสื้อผ้ายานพาหนะที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางจุดหมายจุดประสงค์จุดหมายของเราที่จุดสูงสุดของเรานะันคือจุดไหนเราจะมาพูดแต่เรื่องรองเท้ามีแต่มาพูดแต่เสื้อผ้ามีแต่พูดเรื่องการเป็นอยู่อย่างเดียว ก็ไม่น่าจะถูกเราต้องพูดเราต้องพูดความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราที่จะไปดูอยู่จุดนั้นจะทำยังไงจะเดินยังไงจะก้าวยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ ถ, ถึงจุดหมายปลายทางนั้นอันนี้พวกเราจะต้องพูดถึงจุดนั้นอย่างมั่นคงอย่างมั่นใจ ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านออกบวชจากเวียงวังท่านไม่ได้มุ่งหวังในการเป็นอยู่ของพระ อ, องค์ท่านถ้าพระ อ, องค์ท่านมีพร้อมบริบูรณ์เรื่องปัจจัยสีแต่ว่าพระ อ, องค์ที่หนีออกหนีออกเวทจะไปบวชนั้คืออะไรอันนี้ก็คือพระพุทธองค์หนีออกจากเวียงวังไปปฏิบัติอยู่ในป่าถึงห ปไปบำเพ็ญในการบำเพ็ญของพระองค์จนถึงอดปักายอาหารถึงสี่สบ้าวันพายผอมอย่างสุดๆไม่มีใครที่จะอดได้ถึงขนาดนั้นถ้าเกินคนนั้นแปลว่าตายนี่อันนี้คือการบำเพ็ญของพระองค์คือมุ่งหวังอะไร การมุ่งหวังของพระองค์คือพ้ทุกข์อยากจะตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เ, เป็นการทดลองเป็นการทดลองเป็นการทดสอบในการประพุติปฏิบัติของพระองค์นี่แหละจากนั้นมาพระองค์ก็เดินทางกลับมาใหม่คือมานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือแปลว่าเขียนกอไก่เขว่าได้หรือว่าเขียนเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาว่าได้จุดนี้นะ่ะให้ฟังเอาไว้จากนั้นกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกนึกคิดของพระ อ, องค์รวมมาเป็นหนึ่งพอรวมมาเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานเกิดยานรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมานี่แหละอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายทำอย่างพุทธะที่ท่านพาดำเนินนี่ก็ละคือจุดหมายปลายทางหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทองค์แนะนาสั่งสอนบอกกล่าว คือท่านอยจะให้พวกพุทธบริษัทของพระองค์เดินตามจุดนี้แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็เข้ามาแล้วก็มาพูดแต่เรื่องรองเท้ามาพูดแต่เรื่องร่มมาพูดแต่เรื่องเสื้อผ้ายาแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาสุขภาพแต่ถึงจะรักษาขนาดไหนร่างกายได้มันก็ถึงจุดจบของมันอีกสักวันหนึ่งถึงจะมีรักษารองเท้าดีขนาดนันมันจะต้องขาดอีกสักวันหนึ่ง เสื้อผ้าก็เหมือนกันร่มก็เหมือนกันที่พึ่งพาอาศัยทุกอย่างมันจะต้องขาดจะต้องหมดอายุของมันแต่ร่างกายอ็เหมือนกันอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงจุดจบของมันเีกเหมือนกันเพราะนั้นในหลักของพุท ธ, ธะท่านไม่ได้คิดแต่เพียงแค่นั้นท่านคิดเกินกว่ากว่านั้นไปอีกคือนามธรรมาตัวนึกคิด จะทำยังไงตัวนกคิดจุดนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกจะทำยังไงจึงจะเห็นถูกนี่แหละเราตามลำพังเราคิดไม่ได้แต่พระองค์ไปค้นคว้าศึกษาแล้วสัมมาทิฏฐิคือคิดยังไงมิจฉาทิฐิคิดยังไงพระองค์ได้จัดสรพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านก็บอกแนวทางเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้มิจฉาทิฏฐิต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินีอันนี้พวกเราก็ได้ศึกษาเอาตัวอย่างพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเด็ดๆจะทํำยังไงสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายกันเนี่ยนั่งสมาธิอย่างที่ว่าแต่การที่การที่จะทําสมาธิการปฏิบัติ แต่ให้ทําให้เป็นกิจะลักษณะคืนนั่งสมาธิให้จริงจังแต่ถ้าว่าเป็นผลรองลงมาท่านก็ไม่ได้จากัดว่าต้องนั่งสมาธิเท่านั้นจึงจะได้สำเร็จมรรคผลท่านก็ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นอีกเหมือนกันท่านก็บอกว่าอยู่ในระยบทสี่ยืนออยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ แต่ว่าถ้าเรานํามาพิจารณาดูแล้วเรานํามาปฏิบัติดูแล้วถ้านอนออไม่เท่าไหรมันก็หลับพิจารณาไปก็เลื่อนลางไปเลยสําหรับเราไม่ถูกกับนิสัยไม่ถูกกับอุปนิสัยคิดไม่ได้พอนอนเข้าไปมันหลับออพอยืนออพอยืนเข้าไปนี่ก็พอยืนนานๆเข้าไปพอหลับตาน่ะมันงงเงียนงงเง น, ง เ, ง น, ง เ, งนเหมือนจะหกล้มท่านก็ต้องให้ยืนพิงต้นเสา หรือพิงกัไม้กระดานอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามันเดินหรือจืนนีแล้วเป็นยังไงผลมันออกมาอย่างไงถ้าว่าเป็นผลดีก็ได้ถ้าหาว่าเดินโดยมากครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติมากั็ขีมิดเดินกับนั่งเดินคือการเปลี่ยนอรียบท ข, า ข, า, ขาขวาผุดธขาซ้ายโท เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการเดินให้มีสติในการเดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างนั้น ก, ก็ได้พุทโธพุทโธก็ได้ธรรมโมธรรมโมก็ได้สังโฆสังโฆก็ได้เลยจะนับหนึ่งสสสี่ห้าไม่ให้มันเผลออย่างนั้นก็ได้จากนั้นก็กลับมาพทุพโทโธพุทโธก็ได้อันนี้คือการก้าวเดิน แต่ว่าการนั่งก็เหมือนกันนาการนั่งในการขณะที่เดินเราจะไปกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะสับสนเดี๋ยวมันขาเดินคอลรอจะไ ป, ไปทางไหนก็ไม่รู้เลยเพราะมีแต่มองคิดดูแต่ลมอาจจะเปะซ้ายเปยขวาก็ได้เพราะฉะนันน้นถ้าในขามันก้าวอยู่แล้วเนี่ยต้องกําหนดที่มันขาก้าวขาขวาพุขาซ้ายโถแต่เวลาเรานั่ง เวลาเรานั่งในร่างกายของเราไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในร่างกายของเราตัวนิ่งนั่งนิ่งมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่มันเคลื่อนไหวเราก็เอาสติสัมปชัญญะมากำหนดที่ลมที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทแต่บางคนก็บอกพอนั่งพอเนาะมันไม่รู้มันไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นก่อนนะนั่ง อยู่ในที่สงบนิ่งแล้วก็หายใจแรงๆหายใจแรงๆสูบหายใจแรงๆเข้าไปแล้วก็แทกลงออกมาหายใจแรงๆออกมาสักสองสามครั้งเราก็จะรู้ได้ว่าลมมันผ่านที่ไหนลมมันเข้าใช่ไหมลมมันออกใช่ไหมถึงมันถึงมันจะแรงแล้วมันจะค่อยกมันก็เข้าที่รูจมูกของเรานั่นแหละจากนั้นเราเราก็เอาสติสัมปชัญญะสติของเรานะ่ย ไปอยู่ที่ปลายจ ม, มูกสติสติคือความระลึกได้สัมปชัชญะคือความรู้ตัวแต่บางคนก็ว่าสัมปชัชญะเกิดก่อนหรือสติเกิดก่อนสติต้องเกิดก่อนสติต้องตั้งขึ้นมาก่อนแล้วสัมปชัชญะต้องรู้ตัวสติคือระลึกได้สัมปชัชญะคือรู้ตัวตลอดไม่ให้มันเผลอ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือ ว, ว่าขาขวาพุทธขาซ้ายโถแล้วเราจะยืนในขณะที่ยืนแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเวลาเราจะนอนก็เหมือนกันในขณะนอนมังก็เด้งเราก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่นานเวลานอนเป็นเสียแตบางท่านนะ on, you, you on, แต่บางท่านนอนไม่หลับท่านว่าท่านภาวนาพุทโถท่านนอนภาวนา ได้ผลทันวันอามันมีบางบางท่านบางคนเหมือนกันเราจะไปตีเสมอกันหมดก็ไม่ได้เพราะมันแต่ละคนเอ่อกับกริยาหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละสัปปายะบางคนก็สัปปายะในการนอนเออแต่บางทีนอนมันนอนหลับนะ่ะไม่ใช่เฉาปายะนะนอนในวัตะสงสารนอนจมนอนใจเอออันนั้นเปลว่านอน้วย ความรุ่มหลงมัวเมานอนมันในวัฏฏะสงสารนะั่นไม่ใช่สัพเพะนะคือว่าสัพเพะคำนี้คือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดไม่หลับไม่เผล่อไพลนี่อันนี้คือจุดที่เราต้องการถึงจะนั่งก็เถอะนั่งเมอลอยคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ออโลกรอบโล ก, โลกจะวานไหนก็ไม่รู้อันนั้นแปลว่านั่งเมา่นั่งลอย น, นั่นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนถึงจะขัดสมาธิขนาดไหนก็เถอะไม่เกิดประโยชน์ถึงจะเดินก็เหมือนกันเดินจ่องย่องไปก้าวไปก้าวมาแต่ใจอยู่นู่นอยู่นอกโลกจั ก, กรวาลอเมิไปอังกฤษอเมริกาเที่ยวร้านอาหารไหนก็ไม่รู้ผัตาคารไหนก็ไม่รู้แมคโครโลตัสที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก้าวเดินไป อันนี้ก็ไม่ก็ไม่จัดว่าเป็นสมาธิเหมือนกันนั่งแบบเดินแบบเมื่อลอยเดินแบบไม่มีไม่มีจุดหมายปลายทางนี่นแหละอันนี้ให้เราพวกเรารู้เอาไว้ว่าจะยืนก็เดินจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามเออจะยืนเดินนั่งนอนอันไหนก็ตามถ้าจิตใจไม่อยู่กับตัวเองอันนั้นแปลว่านั่งเมื่อลอยไม่ใช่นั่งสมาธิ ถ้านั่งสมาธิแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทจะนอนก็มีสติสัมปชัญญะจะนั่งก็มีสติสัมปชัญญะจะเดินก็มีสติสัมปชัญญะจะยืนก็มีสติสัมปชัญญะในอริยาบทนั้นนี่แหละอันนี้คือการภาวนาถ้านอกจากนั้นแปลว่าไม่ใช่แล้วถึงทำอกับอกับกิริยาก็เถอะแปลว่า นั่งเหมือนั่งลอยอยืนเหมือยืนลอยเดินเหมือเดินลอยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเข้าใจแต่บางท่านก็พอหลวงพ่อเขาได้ยัดศรัทธาแย่โยมบางคนก็ได้ถามเพราะว่าที่ฉันได้นั่งภาวน า, าแต่ก็ไม่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์พอนั่งภาวนาไปแล้วจิตใจมันถลําไปไปเห็นนิมิต ไปเห็นสิ่งที่กลัวก็มีไปเห็นสิ่งที่พึงปรารถนาก็มีก็ไม่กล้าที่จะดูสิ่งนั้นหรือว่าเราฝันเรื่อเราเราเมือ่อยลอยเรื่อลเราคิดไปเองอย่างนีนะ้ก็น่ากลัวอีกเหมือนกันจะถูกหรือผิดอันนี้ก็มีคนถามอีกมีคนมีผู้ถามหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่า ในแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นของหลวงตาหลวงปู่ล่าที่ได้กรุงพ่อที่ศึกษาครูบาอาจารย์มาเนี่ยนะท่านบอกว่าเวลานั่งสมาธิเราฝึกใหม่พวกเราที่ฝึกใหม่ท่านจะไม่ให้สงจิตออกไปข้างนอกจะไม่ให้เห็นนิมิตจะไม่ให้ดูนิมิตจะเป็นนิมิตสวรรค์นรกเทวบุตรเทวดาอินพรหมดวงวิญญาณไหนก็าตามที่เขามาเกี่ยวข้องอย่าไปใส่ใจ อย่าไปสนใจอย่าไปติดตามถ้าพอไปเห็นนิมิตอันไหนขึ้นมาก็ตามถ้าจิตมันถลําไปแล้วว่าจิตใจลวงเข้าไปแล้วมันไปออกไปทางนั้นให้ถอยกลับคืนมาให้ย้อนกลับคืนมาหากรรมฐานเดิมที่เรานั่งภาวนาพุพทโธก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ดีให้ย้อนกลับมาเลยอย่าไปดูถ้าขืนไปดู ด, ดูต่อไปนะั่นะนะจะหลง สงจิตนอกโลกนอกจะสงหลงในนิมิตแต่ไม่ๆหมก็ไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไรหรอกเราดูดูรู้มันแต่พอต่อมป ด, ดูไปไปไปไปแล้วเข้าไปแล้วมันถนลำลึกเข้าไปมันจะสำคัญตนผิดว่าตัวเองเป็นคนบุคคลพิเศษวิเศษยิ่งกว่าใครอื่นคนอื่นนั่งหลับหูหลับตาไม่มองไม่เห็นอะไรข้าในเห็นเห็นเรื่องต่างๆเห็นเทวบุตรเ ท, ท, ท, ทวราอินพรม พนทีสุดสำคัญตนเองผิดเป็นสัญญาวิทย์ประลาชเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะนั้นบางคณาจารย์บางครูบาอาจารย์พอนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบอ้าไปดูซิสงจิตพอไปเห็นเรื่องต่างๆขึ้นมาแล้วโอ้น่แหละถูกต้องแล้วอย่างงี้ผลที่สุดไม่นานเดี๋ยวก็ตาแข็งขึ้นแข็งขึ้นเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะนั้นแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาท่านไม่เสริมไม่เสริมไม่ส่งเสริมในที่ที่จะนั่งภาวนาไปเห็นดิมิตนั้นนั้นนะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะเวลาการนั่งภาวนาลและการปฏิบัติให้พวกเราดูสังเกตดูถ้าว่ามันเห็นอย่างนั้นขึ้นมาให้พวกเราให้ย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้ หากรรมาฐานเดิมแล้วนิมิตเรล่านั้นมันจะหายเลยเหมือนกับปิดทิ้งแต่ถ้าเราส่งเสริมต่อไปพภายภาคหนะ่นะเดี๋ยวเป็นบ้าพูดได้ง่ายๆพูดได้อย่างนั้นเลยพอหลงในนิมิตนะแต่คณะอาจารย์ครูบาอาจารย์บางองค์เนะี่ยท่านเห็นอย่างนั้นนะ่ท่านเสริมนะเสริมให้ดูให้ดูให้ดูในนิมิตเนะี่ยพอดูเข้าไปแนละ้วมันหลงมันหลงได้ง่ายแต่ว่าครูบาอาจารย์สายของเรา ท่านก็มาได้บอกว่ามันผิดทีเดียวเรื่องนิมิตเหล่านั้นแต่ถ้าว่าผู้ที่ปฏิบัติมานานแล้วรู้จักทางหนีทีไรรู้จักวิธีเข้าวิธีออกของสมาธิวิธีการกำหนดจิตสงบเป็นยังไงนิมิตเป็นยังไงเอออันนั้นน่ะมันมีนิมิตขึ้นมาบางครั้งเออมันก็เป็นเครื่องหมายมันเป็นอุปนิสัยแต่ละคนแต่ท่านก็บอกว่า ร้อหนึ่งจะมีห้าคนจะมีนิมิตอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นนิมิตนั้นจะเป็นหน้าเชื่อถือไหมบางทีก็ไม่หม่บางทีก็น้าเชื่อถือแต่บางทีก็หลอกตอนเองก็ต้องตัวเองนะั่นเป็นผู้สังเกตนะนนิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นเพราะอะไรแต่อย่าไปเชื่อมันทีเดียวถ้าคืนเชื่อมันทีเดียวนะ่ะติดลึกลงนะไปเชื่อในนิมิตนะแต่บางคน พอเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะให้มันเกิดอีก น, ะนี่แหละอันนั้นแลปลว่าเริ่มเดินผิดทางจะแล้วนะให้เรามัดระวังในจุดนี้ น, ะนี่แหละผู้เริ่มใหม่เรื่องสมาธินะเป็นจิตเป็นจุดที่จำเป็นสำคัญจะต้องได้ศึกษาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะแต่ถามว่าจิตจุดประสงค์คืออะไรที่เรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายจบ มีสติสัมปชัญญะเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งไม่ได้คิดปุ่งฟุ้งไปทางอื่นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นคือสูงสุดของสมาธิในเมื่อจิตสูงสุดของสมาธิบางคนก็ติดในสมาธิอีกมีความสุขในสมาธิพอจิตสงบอย่างนั้นแลเอออันนี้แหละจะเป็นมรรคผลนิพพาน มันจะต้องเป็นสมาเป็นเมื่อเป็นสมาธิมันจะเป็นวิปัสสนาจะก้าวเดินไปเองอันนี้แนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบวตรท่านบอกเลยอย่าหวังเลยนะที่จิตมันจะเป็นก้าวเดินไปสู่วิปัสสนาต้องถอนขึ้นมาอีกพอนั่งจิตสงบแล้วเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วอย่าให้มันสงบจนเกินไปถ้าสงบจนเกินไปมันจะติดในสมาธิ มันจะมีความสุขในสมาธิมันจะไม่คิดก้าวเดินทางวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาคือการทำการทำงานมันจะเหนื่อยมันจะไม่ชอบเมื่อจิตเข้าปุสู่ความสงบแล้วเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในห้องแอร์นอนพักผ่อนสบายแล้วให้มาตากแดดทำการทำงานมันไม่ชอบ อ, อย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะนั้นถ้าเขาคนเข้าไปนอนในห้องแอร์ไปพักผ่อนอยู่อย่างนั้นมันได้ได้ผลงานไหม มันไม่ได้ผลงานเพราะมันเป็นนอนนิ่งอยู่เฉยๆถ้าออกมาทําการทํางานมาพิจารณาการกรองไตรตรองหาเหตุและผลมันจะเป็นผลงานในเมื่อมีผลงานมันก็รู้จักวิ ธ, ธีการที่จะเอาชนะอย่างไงกิเลส ต, ตัวไหนเข้ามาสู่จิตใจอย่างไรมันจะรู้แต่ถ้าว่าเราไปเข้าไปในสมาธิอย่างนั้นเหมือนกับเราเข้าไปพัก เ, เหมือนกับเอาหินก้อนหินมาทับยาไว้ซะก่อนออมันทับยาไป แต่พอเปิดหินขึ้นมาพอออกจากสมาธิน่ยจิตใจกิเลสไม่รู้ว่าตัวไหนราคะโทสะโมหะมันกระโดดโลดเต้นออกมาเหมือนกับคนไม่เคยภาวนาเลยยิ่งยิ่งออกมามากกว่าคนที่ไม่ภาวนาจะอีกเพราะอะไรเพราะมันกบไว้เฉยอมันมาดึงพยายามถอนลากถอนคโครนของมันเพราะนั้นเรื่องวิปัสสนานคือถอนลากถอนคโครนสมาธิคือทําจิตใจให้สงบเพ่งเน่งในเมื่อมันเน่งแล้วกันนะ เป็นพื้นฐานพอสมควรถ้าจิตใจไม่นิ่งเลยไม่ได้ไม่มีกำลังอพองภาวนาไปพิจารณาเลย น, นั้นมันเป็นสัญญากับสังขารมาหลอกตอนเองจะมากกว่าเพราะนั้นท่ท่านยังให้มีสมาธิทำจิตใจให้สงบบังคับให้จิตใจสงบเป็นหนึ่งหรือหนึ่งเป็นนิ่งในเมื่อจิตใจผ่านความเนิ่งผ่านความสงบแล้วนั้นำมาพิจารณาการกลองไต่ตรองทางด้านปัญญา และกเกิดปัญญาที่แท้จริงเห็นจริงเห็นจังพิจารณาถึงความตายก็เห็นความตายอย่างลึกซึง้งตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้วันไหนละหมดลมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหายใจหายใจไม่เข้าไม่ออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะใจนะอย่าหลงนะอย่าลืมตัวนะตายแน่ๆนะถึงจะมั่งมีสีสุขเท่ยเลี่ยงดีอิ่มีพีมันขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนอีกวันหนึ่งนะ ต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะอย่าลืมนะอย่าหลงตัวเองนะใจนะมันก็เห็นได้ชัดมันก็ยอมรับส่วนลึกเลยเพราะเห็นอะไรเพราะจิตใจผ่านสมาธิแล้วในเมื่อพิจารณาร่างกายร่างกายของเราเป็น อ, อสุภะปฏิกูลน ะ, เ, ะเกษาผมโรมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกมันพิจารณามันก็เห็นชัดเจนอีกเพราะจิตใจผ่านความสงบจิตใจเป็นหนึ่งมาแล้ว น, ะนี่แหละ คือการจิตใจที่ผ่านความสงบเนี่ยนะจะเห็นจะรู้เห็นได้ชัดจะพิจารณาจุดไหนก็เห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะจิตใจผ่านความสงบแล้วจะต้องให้ผ่านความสงบทุกครั้งสก่อนใช่ไหมจึงจะนั่งภาวนาพิจารณานะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่บางครั้งบางการพอจิตใจของเราปงงุ่งฟุ้งเออมันเอาไม่อยู่เราก็นำมาพิจารณาเลย เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในร่างกายของหมูหมากาไก่ที่มันตายในถนนยศเยียบถ้าวันเรารถเจ็บอยจางมันจะเป็นยังไงหรือว่าคนตายเราเห็นคนตายเห็นไปเผาไฟอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนอนให้เขาเผาไฟกับเราอย่างนั้นเป็นยังไงอันนี้เราก็เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเข้ามาสู่ตัวตัวของเราเองแต่ถ้าวันจิตไหนวันไหนเออวันนี้มันจิตใจพอนั่งสมาธิจิตใจมันนิ่ง จิตใจมันไม่ออกไปข้างนอกนั่นแะ่ะฝันนั้นแหะเรากําหนดลมหายใจเข้าออกอให้กําหนดให้มันอยู่ให้มันเน่งอพอมันเน่งเสร็จแล้วนะออกจากถอนจากสมาธินํามาพิจารณานะนี่แหละให้พวกเรารู้จักต่า ง, างกล้ามต่างวาระให้รู้จักตนเองให้สังเกตตนเองในการประพฤติธปฏิบัติธรรมนะในเมื่อพิจารณาทางวิปัสสนาแล้วมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว มันเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดมันไม่ใช่ออกไปจากที่ไหนต้นเง้าของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับเถาวันที่มันไปกระโยงกระยางไปที่ไหนก็เถอะนะเออมันต้องอาศัยเข้ามานงโงนโขนเงาของมันคือรากแก้วรากฝอยถ้าเราถอนพวดขึ้นมาจากจุดนั้น่ะเออมันจะยาวขนาดไหนก็เถอะเถาวันนั้นเหี่ยวใบเหี่ยวแห้งไปหมดเพราะอะไรเพราะ มันออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวิธีการประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาแนวทางเป็นแนวทางทางหนึ่งสําหรับพวกเราให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็จะบอกแนะแนวหลายวิธีการแต่สําหรับวันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวแนวทางหนึ่งให้กับพวกเราได้ฟังนะ แล้วก็นำไปไ ป, ประพฤติปฏิบัตินำไปการกลองไตรตองด้วยเหตุด้วยผลด้วยตนเองอีกที่หนึ่งนะอันนี้ก็คือเรายกให้คือยกให้ทั้งรุ่นอภัยออกทั้งรุ่นออไปพิจารณานะปฏิบัติอย่างนี้นะแต่บางทีเราอาจจะละเอียดอ่อนกว่าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ถูกกับจริตของผู้ประพฤติปฏิบัติทุกคนก็ได้อันนี้ก็สุดแท้แต่ แต่หลวงพ่อเป็นเพียงแต่เขียนบรรทัดให้ขีดเช่นบรรทัดให้ดูเขียนเป็นกระจกเงาให้ดูและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็มาแนะนำบอกเราให้พวกเราได้ฝังได้ศึกษาเป็นแนวทางทางหนึ่งสำหรับให้พวกเราปฏิบัติแต่หลวงพ่อเองมั่นใจ จึงได้นามาบอกกล่าวนะแต่พวกเราอาจจะมีจริตนิสัยไม่ตรงนี้ก็ได้เ <c oughs> พราะมันมีมากหลากหลายในครั้งพุทธการลูกศิษย์ภาษาริบุตรอท่านให้สอนให้พิจรณาอสุภะสอนอย่างเงินก็ไม่เข้าไม่เข้าใจจนได้พาไปหาพาระพุทธเจ้าเอพระพุทธเจ้าแต่ว่าภาษาลิบุตรลูกศิษย์ท่านองค์นี้นะเราต ถ, ถาคตเป็นวิสัยเป็นวิสัยของพุทธะเท่านั้น จึงจะสอนได้ให้สาววกสอนไม่ได้นะ่เป็นวิสัยของพุทธะก็มีจะทํายังไงพระพุทธเจ้าไม่มีถ้าพาไปหาพระพุทธโลกก็เท่านั้นแหละเออเอาหลวงพ่ออินสอนไม่ได้หรอกพวกเธอทั้งหลายปะหลวงพ่อจะพาไปหาพระพุทธโลปไปนั่งต่อหน้าพราะนะอ่พระพุทธโลปลุกเมื่อไหรก็เมื่อนั้น่ะไยังคอยลุกเนอะอย่าว่าอย่างนั้นนะก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะอา่าจะทํายังไงเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังทดลองลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด อย่างที่พระพุทธเจ้าไปทดลองนะแต่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระรองค์ก็ท่านบอกไว้แล้วเนี่ยวิธีการทําทํำยังไงเพียงแต่ว่าเราทดลองหลายแนวหลายแนวดูตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนั่นแหละพระพุทธเจ้าต้งวางกรรมฐานไม่ถึงสี่สิบอย่าง เ, เพื่อจะทําจิตใจของพวกเราให้สงบนะไม่ใช่วางข้อใดข้อหนึ่งนะเพราะนั้นพวกเราศึกษาแต่ในพูดได้เลยว่า ธรรมะคำสอนของพุท ธ, ธะเนะี่ยหลักเกณฑ์ของพุท ธ, ธะเนะี่ยปรัชญาของพุท ธ, ธะเนะี่ยไม่ใช่ปรัชญาหวยหวยใเป็นปรัชญาเพื่อหรือพบหรือชาติไม่ไม่ฮะ ไ, ไม่ให้เวียนมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารแต่วิชาทางโลกวิชาอื่ น, นวิชาหากินวิชาหาเงินหาทองวิชาหาเลี้ยงชีพวิชาหาปัจจัยสเท่านั้นนะแต่วิชาของพระพุทธศาสนานะเป็นวิชา ที่หรือภพหรือชาติจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดเป็นอนันตาการเข้าสู่นิพพานมันต่างกันนะพวกเราศึกษาต้องศึกษาจุดนี้นะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรณนที่นี้นะ